เป็นชนชั้นกลางระดับล่างอะไรนะียแล้วแต่เขาจะตั้งนะแต่เราอิ่มอะเราเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองยากจนเรากินข้าวสองมื้อก็อยู่ได้เนา ะ, ะได้พระยังอยู่ได้เลยกินมื้อเดียวยังอยู่ได้เลยเห็นถึงว่าพระไม่ได้ทำงานพระทำงานบางวัดกนะ็เป็นขนต้นไม้ขนหินขนอะไรทางานกันตกเย็นนั้นกินน้ำหวานหน่อยนะ่เนั้นเอง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 ในจพวกนี้ในพระระหันห้าร้อองค์มีอีก60องค์ได้อภิญยาหเช่นได้อิททิวิจีผู้นี้รีเดเยอะกว่าพวกวิชาสมได้หูทิพได้ตาทิพอะไรได้ยานอย่างรู้ใจคนอื่นก็ล้างกิเลสได้มี60องค์คนที่ได้อภิญญานี่ก็ต้องทรงฉันเล่นสมาธิเล่นอะไรมาอีก60องค์เป็นอุปโตภาควิมุต แม่ได้วิชาสามหกสิบนะได้อภิญญาหกหกอุปโตภาควิมุตเนี่ยมี 60. อีกหกบอุปโตภาควิมุตนะหมายถึงอะไรหมายถึงหลุดโดยส่วนทั้งสองหลุดจากรู ป, ปรธรรมนะโดยการได้ถึงอรูปฌานนะเพราะฉั้นอุปโตภาคเนี่ยจะต่างกับวิชาสามอภิญญาหกเพราะอุปโตภาคเนี่ยจะได้ถึงอรูป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 หเห็นอนี้สวยงามเห็นนี้ทันสมัยถ้าได้มาแล้วดีอะไรเนี่ยสวยงามเท่ทำให้อยากได้อีกพวกหนึ่งเห็นแล้วมีโทระัดูแล้วโหเราตําต้อยเพราะเราไม่มีมือถือยี่ห้อนี้ใช้ตําต้อยถ้าทางถูกเหยียดหยามอย่างงี้ยนะมีนะป้ายแบบทางก้าวราวก็มีป้ายแบบ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 ว่าพระจะดีๆจะมีแล้วยุคนี้น่าจะไม่มีแล้วละ่นะมีแต่เราดีคนเดียวพระก็เลวหมดแ ล, ล้วนะ <athlete> นะจิตเกิดอกุศลแลนะ้ะเนี่ยเราก็รูนนะ้ทันเห็นนางแบบสวยแมแฟนเราทํำไมไม่สวยอย่างนี้ในโทสะเกิดนะเนี่ยตาหูจมูกลิ้กนกายใจมันกระทบอารมณ์นะใจมันจะเปลี่ยนแปลงนะกระทบแล้วเกิดความสุขบ้างกระทบแล้วเกิดความทุกข์บ้างบางทีกระทบแล้วก็เฉยๆนะ